จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจนมใจขดสงทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ย1สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสเก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเข้าห า, า พ, พระพุทธพระธรรมพระสง ด้วยศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าสามารถเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราได้สามารถช่วยพวกเราให้ดับความทุกข์ทางใจให้หมดไปได้สามารถสอนให้พวกเรา ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจึงเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ยินคำสั่งคำสอนที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถ ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะทำได้เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นใครเป็นอะไรทาไมเราจึงต้องเข้าหา พระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งบุคคลที่หาได้ยากมากเพราะเป็นคนที่ได้ค้นพบทางสู่พระนิพพานทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะองค์มีดวงตาที่พวกเราไม่มีกันคือ ดวงตาเห็นธรรมเรว่าธรรมจักขุ่คือมีตาทิพย์พูดง่ายๆตาทิพย์ที่าสามารถมองเห็นโลกทิพย์ที่พวกเราไม่สามารถมองเห็นกันได้โลกทิพย์ก็คือโลกที่อยู่ของผู้ที่ไม่มีร่างกายเช่นมนุษย์และเดรัจฉาน พรกงนี้เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อคือตาของร่างกายเราเห็นมนุษย์เราเห็นสัตว์ด้วยตาชันแต่พวกที่ไม่มีร่างกายนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นพวกเทวดาอินพรหมทั้งหลายพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายพวกเราไม่สามารถมองเห็นได้ หรือพวกที่ไปตกนรกเราก็มองไม่เห็นพวกที่เป็นเปรตพวกที่เป็นผีเราก็มองไม่เห็ น, น, น, หนแต่พระพุทธเจ้ามองเห็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาได้ทรงค้นคว้าจนในที่สุดก็สามารถพบตาทิพเกิดมีตาทิพขึ้นมา จึงทำให้พระองค์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเราไม่เห็นกันเช่นเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเหตุที่จะพาให้เราไปนรกพาเราไปสวรรค์เห็นวกชาติของพวกเราที่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วว่าพวกเราจะไปเกิดในที่ใดบ้างไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมบ้างไปเกิดเป็นเปรกเป็นเดรัจฉาน ไปตกนรกบ้างทรงเห็นเหตุที่จะทําให้พวกเราไปเกิดในที่ต่างๆเช่นถ้าเราทําบุญเราก็จะได้ไปสวรรค์กันถ้าเราทําบาปเราก็จะได้ไปอาบายกันถ้าเราตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้เราก็จะไปนิพพานกันเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่างๆหลังจากที่พระองค์ได้ทรงมีจักขุวิญญาณและมีตาทิพย์แล้วพระองค์ก็เลยมีความเมตตามีความสงสาร <c oughs> เห็นพวกเราเป็นเหมือนคนตามา <c oughs> ที่พยายามจะเดินหาความสุขกันที่พยายามจะเดินหนีความทุกข์กันแต่เดินยังไงก็หนีไม่พ้นความทุกข์ ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขเทียมความสุขกลอมอย่างที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้ความสุขที่เราได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เพราะเราไม่มีตาที่จะเห็นความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ตรงไหนความไม่มีความทุกข์นั้นอยู่ตรงไหนเราไม่มีตาที่เหมือนพระพุทธเจ้า เราเลยต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางคำสอนก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนคนอื่นแล้วได้มีการจดจํามาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนก็มีคนจดจาเอาไว้แล้วก็เอามารวบรวมกันถ่ายทอดกันมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายแล้ว เขาก็เอาคำสอนของพระพุทธเจา้านี้มาเป็นอาจารย์แทนพระพุทธเจา้าจดจำคำสอนแล้วก็เอามาสอนคนต่อๆไปคนที่นำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะเกิดมีตาทิพขึ้นมาพวกที่เกิดตาทิพพวกนี้เราเรียกว่าพระอริยสงสาวกนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่สามารถาค้นพบตาทิพย์ของพระองค์เองแล้วหลังจากนั้นก็เอาความจริงนี้มาสั่งสอนผู้อื่นความจริงที่สั่งสอนก็เรียกว่าพระธรรมคําสอนแล้วผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาอไปปฏิบัติจนได้พบตาทิพย์ก็สามารถ รู้เห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็เลยเป็นผู้ที่มาสอนพวกเราต่อไปพวกเราถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าแต่เรายังมีพระธรรมคำสอนที่เป็นเหือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าและเรามีพระอริยสงสารที่มีตาทิ่ที่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ มาสอนพวกเราอีกต่อห น, นึ่งสอนด้วยความแม่นยำสอนด้วยความถูกต้องสอนด้วยความมั่นใจเพราะเป็นสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นจริงๆไม่เหมือนกับคนที่ตาบอดแล้วก็ได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้เห็นกับตาเวลาไปสอนใครไปบอกใครก็จะไม่สามารถสอนหรือบอก ได้อย่างมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะยังไม่ได้เห็นกับตนเองผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปสอนคนอื่นโดยที่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติโดยที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาริยสงสาวกจะสอนแบบคนตาบอดคือตัวเองก็ยังไม่เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เพียงแต่ได้ยินว่ามีอย่างนั้นจริงมีอย่างนี้จริงเช่นนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงแต่ตนเองยังไม่ได้เห็นกับตาเพราะยังไม่ได้ปฏิบัติจึงไม่ถือว่าเป็นพระอริยสงสาวกผู้ที่จะเป็นอริยสงสาวกนี้ต้องเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม ผู้ที่ได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนมีตาทิพย์ขึ้นมาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบุญที่เป็นเหตุที่ทําให้ไปสวรรค์เห็นบาปที่เป็นเหตุที่ทําให้ไปนรกเห็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจและสามารถทําได้แล้ว จึงมีความมั่นใจนี่คือพระอริยสองสาวกคำว่าพระสงฆ์นี้มีอยู่สองลักษณะพระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างที่นั่งอยู่ในศาลานี้เราก็เรียกว่าพระสงฆ์แต่พระสงฆ์เหล่านี้บางองค์อาจจะเป็นพระอริยสองสาวกก็ได้บางองค์ก็ยังไม่ได้เป็น ดังนั้นการที่มาบวชเป็นพระนี้ไม่ได้หมายความว่าได้เป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยยังไม่ได้เป็นเพราะว่าเริ่งบวชยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ปฏิบัติเป็นสมมุติสงคำว่าสมมุติก็คือเราสมมุติเรียกชื่อท่านว่าเป็นพระสงฆ์ความจรงิงคาว่าสงฆ์นี้หมายถึงองค์กร ที่มีพระภิกษุอยู่ร่วมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปก็เรียกว่ามีสงสงจะมีได้ก็ต้องมีพระภิกษุอยู่ร่วมกันอย่างน้อยสี่รูปขึ้นไปถ้ามีต่ํากว่าสี่รูปจะไม่เรียกว่าสงจะเรียกว่าคณะพระจะเรียกเป็นคณะจะเป็นสงได้นี้จะต้องมีพระสี่รูปขึ้นไป แต่สงฆ์นี้ไม่ได้เป็นสงฆ์อริยสงฆ์สงฆ์อริยสงฆ์นี้มีบุคคลหลายประเภทด้วยกันเป็นนักบ ว, กวชก็ได้เป็นคารวะก็ได้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่มีตาทิ่เห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานนี้ก็เรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์ซึ่งในสมัยพระพุทธการ ก็มีเป็นผู้เป็นพระ อ, อริยสงฆ์มาจากบุคคลต่างๆมีทั้งที่เป็นนักบวชมีทั้งที่ไม่ได้เป็นนักบวชมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กและมีทั้งผู้ใหญ่ผู้ใดก็ตามที่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนบรร ล, ลุมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาผู้นั้นก็ถือว่าเป็นพระ อ, อริยสงฆ์ จึงไม่จำเป็นว่าพระอริยสงฆ์นี้จะต้องเป็นพระที่เป็นนักบวชเท่านั้นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีดุตาทิพขึ้นมาเราเรียกว่าพระอริยสงฆ์มีอยู่สีขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเราเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองเราเรียกว่าพระสิกดาคามี ขั้นที่สามเราเรียกว่าพระอนาคามีและขั้นที่สี่เราเรียกว่าพระอาราหันต์นี่คือพระสงฆ์อริยสงสาวกสี่ขั้นทําไมถึงมีสี่ขั้นก็เหมือนกับการเรียนหนังสือมีป ร, ริญญาสมขั้นมีป ร, ริญญาตรีป ร, ริญญาโทป ร, ริญญาเอกพระอริยสงฆ์นี้มีอยู่สี่ขั้น ความรู้ความสามารถที่จะก้าวขึ้นไปนั้นจะต้องก้าวขึ้นไปทีละขั้นเหมือนกับการเรียนปริญญาจะไปเรียนปริญญาเอกโดยที่ยังไม่ได้ปริญญาโทเป็นปริญญาตรีไม่ได้ต้องมีปริญญาตรีก่อนถึงจะไปได้ปริญญาโทเป็นปริญญาเอกตามลำดับต่อไปและก่อนจะได้ปริญญาตรี ก็ต้องผ่านชั้นมัธยมชั้นปฐมชั้นอนุบาลก่อนผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่หลายระดับด้วยกันระดับปฐมระดับอนุบาลระดับปฐมระดับอริยเจ้ามีหลายระดับด้วยกันอยู่ที่ความสามารถที่จะทำได้มากทำได้น้อยทำทานได้มากเท่าไหร่ทา รักษาศีลได้มากเท่าไหร่ภาวนาได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้มากก็จะยิ่งไปสูงผู้ที่ไปถึงขั้นโสดาบันนี้ <c oughs> ก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในละลำลับแรกคือจะไม่ต้องกลับมาเกิดเกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะว่าจะสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในเจ็ดชาติระดับที่สองพระสกิดาคามีก็มีความสามารถที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ภายในชาติเดียวถ้าจะต้องกลับมาเกิดก็กลับมาเกิดอีกครั้งเดียวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนระดับที่สามคือพระอนาคามีนี้ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ท่านจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นขงเป็น พบสุดท้ายของท่านแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่มีภพชาติอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปแต่ไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่พระนิพานพานพระนิพพานก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นพรหมชั้นเทพนี้ยังมีวันเสื่อมได้ เช่นทำบุญรักษาศีลตายไปก็ไปอยู่เป็นเทพเป็นเทวดาแต่บุญที่ทำไว้ก็จะค่อยๆหมดไปเหมือนกับเงินที่เราใช้ไปกับการท่องเที่ยวเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศเราก็เอาเงินติดตัวไปพอเราใช้ไปใช้ไปเงินหมดเราก็ต้องกลับบ้านฉันใดบุญที่พาเราไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนเงินที่เราเอาไปใช้ในสวรรค์ พอบุญหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นพรหมที่เราไดจากการทาบุญทาทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพแต่ก็จะต้องหมดไปเหมือนกันเพราะเหมือนกับ เงินที่เราใช้ใช้ไปใช้ไปมันก็จะหมดบุญที่เราที่พาเราไปสวรรค์ชั้นพรงก็จะค่อยๆหมดไปพอหมดมันก็ลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดแก่เจ็บตายมาทำบุญทําบาปใหม่นี่คือระดับของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระดับของพระอริยเจ้า ยังต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะได้เข้าสู่ชั้นของพระอริยเจ้าการที่จะเข้าสู่ชั้นของพระอริยเจ้าได้ต้องมีปัญญาต้องเห็นว่าการเกิดแกเจ็บตายนี้เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆตัณหานี่แหละที่ทาให้เรากลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังอยากดูอยากฟัง อยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากจะสัมผัสกับคนนั้นคนนี้เรียกว่ากามาตัญหาความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายทำให้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปทำให้เราต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะเรายังอยากจะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเพื่อที่เราจะได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถกําจัดความอยาก ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตได้ความอยากมีแฟนความอยากมีอะไรต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายเมื่อเราไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ไปอยู่ที่พระนิพพานอยู่กับพวกที่ไม่มีความอยากก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย แต่ไม่ได้หายไปไหนใจของเราไม่มีวันตายใจของเราตอนนี้อยู่กับร่างกายแต่พอไม่มีร่างกายเราก็มีสองทางเลือกถ้าเรายังมีตัณหาความอยากอยู่เราก็กลับมาอยู่กับร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเพราะการมีร่างกายนี้มันทุกข์มันยุ่งยากมันวุ่นวาย ไม่เหมือนกับการไม่มีร่างกายลองคิดดูตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเหมือนกับเราไม่มีร่างกายสบายในเวลานอนหลับไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการหาอาหารไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการพาร่างกายไปเข้าห้องน้ำห้องท่าทำอะไรต่างๆเนี่ยเวลาไม่มีร่างกายสบายคนเราเวลานอนหลับเนี่ยเหมือนกับตอนที่ตายไปแล้ว เพียงแต่ว่าตายชั่วคราวพอร่างพอตื่นขึ้นมาก็กลับเข้ามาสู่ร่างใหม่ดังนั้นผู้ที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าการมีร่างกายนี้มันเรื่องราวมันมากมันวุ่นวายแล้วก็ต้องทุก์เพราะว่าพอมีร่างกายแล้วก็ไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายแต่ก็ห้ามไม่ได้ร่างกายเป็นของที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ไม่อยากจะมีร่างกายท่านก็เลยศึกษาค้นคว้าทดลองผิดทดลองถูกจนในที่สุดก็ค้นพบว่าต้นเหตุที่ทำให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็คือความอยากสารประการคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากได้ร่ำยศเสริสเสริญสุดและความอยากไม่มีอยากไม่เป็น คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้ามีความอยากล่านี้อยู่มันจะทำให้เราทุกเวลาที่เราไม่ได้ดังใจอยากเวลาอยากจะมีแฟนไม่ได้แฟนก็ทุกเวลาได้แฟนมาแล้วเสียแฟนไปก็ทุกนี่ทุกเพราะความอยากถ้าคนไม่มีความอยากมีแฟนเขาจะไม่ทุกเวลาเขาไม่มีแฟนเขาจะไม่ทุกเวลาที่แฟนไม่จากเขาไป เพราะเขาไม่มีความอยากจะมีแฟนนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเองและความอยากของพวกเราเองจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกลับมาทุกข์อยู่เรื่อ ย, อยถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ให้หยุดความอยากการจะหยุดความอยากก็ต้องออกบวช ต้องรักษาศีลต้องปฏิบัตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาถึงจะสามารถตัดความอยากต่างๆได้หรือถ้าไม่ออกบวชแต่สามารถปฏิบัติได้ก็ใช้ได้เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ต้องบวชไม่ต้องมีภาระทำมาหากินมีเงินทองเหลือเฟือสามารถอยู่บ้านรักษาศีลจะนั่งสมาธิจเจริญปัญญาได้ ก็บรรลุได้เป็นพระอาริยเจ้าได้เหมือนคนบางคนในสมัยพุทธกาลที่เขาสามารถปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องบวชก็ได้แต่ถ้าได้บวชมันจะดีกว่าาะมันจะสะดวกรวดเร็วการบวชนี้เหมือนกับการขึ้นทางด่วนเพราะจะไม่มีอุปสรรคไม่มีสี่แยกไฟแดงวิ่งปุ๊บวิ่งปป๊บเดียวก็ถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าอยู่ใต้ทางด่วนนี้เดี๋ยวเจอรถติดเจอสี่แยกไฟแดงเจออุบัติเหตุก็จะทำให้ไปช้าแต่ไปได้เหมือนกันคนบางคนเขาไม่ได้บวชเขาก็บรรลุได้สาเหตุของเขาอาจจะเป็นเหตุผลว่าเขาบวชไม่ได้อาจจะมีภาระทางบ้านหรือภาระเกี่ยวกับอะไรบางอย่างแต่เขามีความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัต เราก็สามารถบรรลุได้เหมือนกันแต่ละคนนี่จะบรรลุต่างกันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยบางคนบรรลุตั้งแต่เป็นเด็กบางคนบรรลุตอนแก่ตอนใกล้ตายก็มีบางคนเป็นหญิงก็บรรลุได้เป็นคนเป็นเป็นเด็กก็บรรลุได้ขอให้รู้ว่าวิธีบรรลุเป็นอย่างไรแล้วปฏิบัติได้ ก็คือให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาก็สามารถบรรลกุกันได้ทุกคนนี่คือพระอริยสงสาวลกของพวกเราที่พวกเราตอนนี้อาศัยแทนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านจากเราไปแล้วการที่พวกเราไปวัดไปหาพระดีที่เรียกว่าพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีพระปฏิบัติชอบ พราะเราเชื่อว่าท่านเป็นพระ อ, อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านสามารถสอนให้พวกเรานี้ลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือที่พึ่งทางใจของพวกเราเวลาที่เราไปวัดนี้เราไปหาที่พึ่งทางใจกันเราไปกราบพระพุทธเจ้าเพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอน ถ้าเรามีปัญหาเราก็ไปหาพระ อ, อริยสงฆ์สาวกให้ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราเช่นเราปฏิบัติแล้วไม่คืบหน้าติดตรงนั้นติดตรงนี้เราก็ไปหาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุ ป, ปฏิปันโนแล้วก็ไปเล่าให้ท่านฟังว่าเรามีปัญหาอย่างไรปฏิบัติแล้วทำไมยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เสียที พอเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะบอกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำอย่างนั้นพอเราเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นได้เรายังต้องพึ่งพระอริยสงสาวกอยู่เพราะว่าถ้าเราศึกษาจากพระธรรมคำสอนเพียงอย่างเดียวเรายังอาจจะหลงทางได้เพราะเวลาเราอ่านเราอาจจะไม่เข้าใจ หรือเราอ่านแล้วเราอาจจะแปลความหมายผิดไปก็ได้ก็อาจจะทําให้เราทําผิดทําไม่ถูกพอทําไม่ถูกมันก็จะไม่บรรลุดังนั้นเราจึงต้องเข้อหาพระอริยสงสาวกกันถ้าเราเป็นผู้ที่สนใจกับเรื่องการปฏิบัติเราจะรู้ว่าการศึกษาจากพระธรรมคาสอนเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพราะว่าเราไม่มีความฉลาด พอที่จะเข้าใจความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราจึงต้องไปหาคนที่เขาเข้าใจมาอธิบายให้เราฟังนี่คือที่พึ่งทางใจของพวกเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารวกของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีองค์ใดองค์หนึ่งเป็นสรณะเราจะมีที่พึ่งทางใจ เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อเรามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามเรามีความอดทนเรามีความพยายามรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้หลุด้นได้หลุดพ้นกัน ขอให้เราเชื่อขอให้เรายินดีที่จะปฏิบัติตามขอให้เรามีความอดทนขอให้เรามีความขยันแล้วรับรองได้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกนี้จะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพจน์จาาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้น ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ